สนบังที่รครกบคะเราผ่านไปสำหรับการที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาในช่วงต้นฟังพระสูตรที่ท่านมาร์คพระมาร์คชาคาวาโรวัฒนาปพงลำลูกกาคลองสิบอ่านให้ฟังตอนนี้ก็มาพบกับพระเพยบย์อภิปุลโนนะคะจากวัปปาอนหายโศน้องหารอุดรธานีนรมัสการกคะ่ะ <c oughs> ท่านคะอาจรย์พรค่ะพระพรบุณคะเรื่องของการเดินจงกรมคะ่ะเดินจงกรมจริงๆแล้วเนี่ย เดินอย่างไรคะแล้วต้องคือเดินอย่างไรนี่หมายถึงถามท่านทั้งหมดเลยนะคะอาการเดินลักษณะของการเดินจะต้องเดินไม่เกินระยะทางเท่าไหร่หรือไม่นะคะต้องเดินเป็นวงกลมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใ่บางบางท่านที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าตอนไทรโศกอะ บอกให้ไปเดินจงกรมเนี่ยบางคนเดินเป็นกลมๆเดินเป็นกลมๆ <c oughs> <c oughs> จริงหรอครับจ <c oughs> ี่ดิฉันถามเล่นๆมีคนทำจริงจริงหรอมีค น, นทําจริงๆแม้แต่พระบางองค์ที่อ า, อาจจะเพิง่งเพิ่งบวชหรือว่าเพิ่ง ศ, ศึกษาเนี่ยไม่รู้ว่าเดินจงกรมทำยังไงก็เลยไปเดินเป็นกลมๆเดินรอบโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วการเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมคําว่าจงกรมมาจากคำว่าจังกมะจังกมะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าเดินกลับไปกลับมา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 มันจะช่วยละนิวรณ์ได้คนที่มีนิวร์อยู่มีสติอยู่เนี่ยจะสามารถละนิวรณ์ได้สติตัวเนี้ยจะช่วยให้เราละนิวร์ได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราจะละนิวรณ์ไม่ได้นะเราต้องมีสติในขณะที่เรามีนิวรณ์ก่อนเครื่องกั้นของจิตมีอะไรบ้างความอยากในกาล <biết. S 1> ความงงเหงาหานอนขี้ขี้คร้านความพยาบาทความวิจิกิจฉาความเครือบแคลงระแวงสงสัยอย่างเนี้ย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 จับปุ๊บก็ค่อยๆลาเขาได้ oh, <okay. S 1> อพอละได้แล้วจิตเราจะเป็นสมาธิมากขึ้นนั่นแหละดีแล้วจิตแบบนี้เป็นจิตที่ดีใช้งานได้ <c oughs> บางบางท่านนะถ้าฟังรายการนี้บางท่านที่เคยอ่านตําราอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านทีน่ท่านกำหนดว่าต้องเป็นทิศนั้นทิศนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ข้อมูลพวกนี้อาจารย์ก็ทราบอยู่ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราเราจะ <c oughs> พูดถึงเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธปรนะณะ